ได้มีเวลามารำเลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่และมาประกอบคุณงามความดีเพื่อเป็นการปฏิบัติบูบชา ก็เป็นการบูชาที่แท้จริงบูชาจะ บ, บูชนียนังเอตัมมังกลมุมตัมังการบูชาบุคคลที่สมควรแก่การบูชาเป็นมงคลอย่างยิง่ง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 ได้ปฏิบัติและได้ผลดังที่ทรงปรารถนาก็จะนำความเปิ่นปิติความสุขพ่ะไทยให้แก่พระพุทธเจ้าแก่พระอรณัตาสาวกทั้งหลายพืที่สละเวลาที่หลังจากได้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 ความสุขปลอมทั้งนั้นเป็นความสุขปลอกเพราะเป็นความสุขเหดียวเดียวแล้วก็มีความทุกข์ตามมาถ้ากยับกันหน่อยนะตอนนี้ฝนลงแลนะใครอยู่ใกล้เครื่องเสียงช่วยหยิบเครื่องเสียงเข้ามาไว้ในที่ร่มด้วย จะเข้ามาบนศาลาหลังนี้ก็ได้หรือจะไปสาลาหลังใหญ่ก็ได้มีทั้งชั้นบนชั้นล่างอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะมาปฏิบัติบูบชากันโดยการนั่งทำใจให้สงบการทำใจให้สงบนี้เป็นการเข้าหาความสุขที่แท้จริง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 มีอะไรเป็นเครื่องมือไม่ต้องมีลาบยศสารเสริงไม่ต้องมีรูดเสียงกิน่นรกทพถะไม่ต้องมีร่างกายร่างกายนี้จะตายไปก็ไม่เป็นปัญหาอะไรหลัาจาก น, นี้ผนสก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 หรือการเฝ้าดูลมหายใจเท่าอขอให้เราเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วพยายามดึงใจให้อยู่สับงานที่เรากำหนดไว้ถ้าเราบริกรรมพุทโธพุทโธก็ขอให้บริกรรมไปอย่างต่อเนื่องเวลามีความคิดเข้ามาแทรกก็อย่าไปสนใจ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 ดูลองต่อไปพูดโทรต่อไปตอนนี้ผนก็ได้หยุดพอที่จะพูดธรรมะต่อได้ขอพูดต่อสักเล็นอยเกี่ยวกับการปฏิบัติธรติอย่างที่เราเพิ่งได้ทำกันถ้าเราสามารถนั่งสมาธิ ได้ไปเรื่อยๆวันวันหนึ่งนั่งสมาธิไปพอออกจากสมาธิมีอาการน้อยเราก็ลุกขึ้นมาเดินต่อแต่ใจของเราก็ทำงานอันเดิมก็คือคอยควบคุมความคิดโดยการจเจริญสติไปเรื่อยๆ พุทโธไปเรื่อยๆถ้าเราใช้พุดโธถ้าเราใช้ลมหายใจเวลาที่เรานั่งวเวลาลุกขึ้นมาเดินจะดูลมหายใจต่อก็ได้หรือจะดูเท้าที่เราเดินก็ได้เวลาเราเก้าวเท้าซ้ายก็ให้รู้ว่าซ้ายเวลาเราเก้าวเท้าขวาก็ให้รู้ว่าขวา ซ้ายขวาซ้ายขวาไปเรื่อยๆการเดินจงกรมนี้เป็นการเปลี่ยนอริยาบทของร่างกายาร่างกายต้องมีการขยับขยื่นบ้างนั่งนานๆก็จะมีอาการเจ็บเมื่อยถ้าเดินนานงก็มีอาการเมื่อยเหมือนกันเงมีการเปลี่ยนเอริยาบทเดินบ้างนั่งบ้าง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 ก, การปฏิบัติของเราเราควบคุมความคิดของเราได้ใจของเราก็จะว่างจะเย็นจะมีความสงบนี่แหละคือสิ่งที่เราควรที่จะตั้งเป้าเอาไว้<ม>คือการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจนเป็นเป็นปกติของชีวิต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 มีตัวแปลมากมายได้มาแล้วก็หมดไปอย่างรวดเร็วต้องหามาเพิ่มใหม่อยู่เรื่อยๆแล้วสักวันหนึ่งก็จะไม่มีทางสามารถที่จะหาได้เวลาร่างกายแก่ลงไปเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเวลาตายไป ใ น, นเวลานั้นก็จะมีแต่ความทุกข์มีแต่ความทรมานใจเพราะไม่สามารถที่จะหาความสุขได้แต่ถ้าเราหาความสุขภายในใจของเราด้วยการจเจริญสติอย่างต่อนเนื่องในอิริยาบถสี่ดินยืนนังน่งนอน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 แล้วเราก็จะมีความสุขไปเรื่อยๆถ้าเราอยากจะพัฒนาความสุขของสติของสมาธิให้เป็นความสุขที่ถาวรเวลาเราออกจากสมาธิมาหลังจากที่เรามีความชำนาญในการเจริญสติในการหยุดวามคิดได้แล้วเราก็มาสอนใจให้คิดไปในทางที่จะทำให้เรา ไม่อยากม่ต้องการอะไรเพราะความไม่อยากมไม่ต้องการอะไรนี่แหละจะทำให้ใจเราอิ่มทำให้ใจเราพอจะได้ไม่ต้องมาบางคนต่อไปถ้าใจอิ่มใจพอแล้วไม่ต้องนั่งสมาธิก็ได้ไม่ต้องเดินจงกรมก็ได้ไม่ต้องบริกรรมพุทโชไม่ต้องดูลมหายใจเข้าออก เข้าใจไม่มีความอยากใจก็จะไม่คิดหาเรื่องสร้างความหิวสร้างความทุกข์ให้กับใจนี่คือท่านต่อไปหลังจากที่เรานั่งสมาธิได้แล้วมีความชำนาญ น, นั่งสมาธิได้ทุกเวลาที่เราต้องการแต่เวลาเราออกจากสมาธิมาถ้าเราไม่ควบคุมความคิด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 ต่อไปก็สามารถสั่งให้ใจคิดไปในทางที่ทำให้ไม่อยากได้เช่นคิดไปในทางที่ไม่เที่ยงเห็นว่าสิ่งต่างๆที่เราอยากได้ได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องจากต่อไปดีเวลาไม่มีเขาเราก็จะเดือดร้นแต่ถ้าเราไม่มีความอยากได้เขาเขาจะมาหรือเขาจะไปเราก็ไม่เดือดร้อน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 มีการจากกันนี่เองเพราะเราอยากให้เขาไม่จากเราไปถ้าเราหยุดความอยากไม่ได้เพราะเห็นความจริงว่าเราหยุดเขาไม่ได้เขาจะไปเราห้ามเขาไม่ได้เราไม่ได้อยากให้เขาไม่ไปเราก็จะไม่ถุกนี่แหละคือการใช้ปัญญา ที่จะทําให้เราหยุดความอยากต่างๆได้หมดพอไม่มีความอยากแล้วใจจะไม่มีความทุกหลงเหลืออยู่เลยจะไม่มีความหิวจะไม่มีความต้องการอะไรจะอยู่เฉยๆอย่างเหมือนกับที่เรานั่งสมาธิได้โดยที่ไม่ต้องเข้าไปในสมาธินี่คือการปฏิบัติบตูชาที่พระพุทธเจ้า ศาสนาให้พวกเราปฏิบัติกันเพราะจะทำให้เราได้พบกับความสุขที่แท้จริงที่ถาวรระดับความทุกข์ทั้งหลายให้หมดไปจากใจพอเรามีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์เราก็จะไม่มีการกระทำอะไรที่จะไปทำให้ผู้อื่นเขาเดือดร้อนจะไม่มีการฆ่ากันไม่มีการรักทรัพย์ ไม่มีการประพฤติผิตโดยมิไม่มีการโกหกหลอกลวงไม่มีการเสพอบายามุขต่างๆที่ผู้ที่ยังไม่มีความสงบจะใช้เป็นวิธีดับความชุกกาัาถ้าไม่มีการกระทันที่ไม่ดีสังคมก็จะอยู่กันอย่างร่มเย็ยนทีนสุดบ้านเมืองก็จะสงบ ทุกคนก็มีความมีความเจริญเป็นตุกแผนแน่นหนาก็เป็นความปรารถนาของผู้ปกครองประเทศคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ต้องการให้ประชาชนอยู่กันอย่างร่วมเรียนเป็นสุดวิธีที่จะอยู่อย่างร่ม เ, เ, เรียนเป็นสุดก็ต้องอยู่แบบปฏิบัติบูชา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 แข่งแย่งชิงดีเป็นไปต่อสู้กันแล้วได้เท่าไหร่ก็ไม่พอในที่สุดก็จะทําให้เกิดมีปัญหาต่อกันมีการทะเาะวิวาทกันมีการต่อสู้กันทําให้บ้านเมืองแตกสามัคคีทําให้บ้านเรืองไม่สงบและอาจจะล่มสลายได้ด้วยการกระทําของ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 การแสดงก็พอสมควรแต่เวลาจึงขอยุดติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พอ่อนยะภ า, าวาลิวาหาปุราปิลิปุเรนติสาขาวังเอวเนวาอิโตติยังเตตานานอุปการปฏิอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเนวาสนิจัตุ สัพเพบริแรงจงสังกปาจันโทปณารโสยทามนีโจติสัพโสยทัสสภิีตโยนิวะชันตุสัพโลควินาศตมาเตภวทวันตาลายโสุขีทีพายโคภะ อาคิวาธนสีมิสะนิจังวุทธาปจายิโนจตาโรธรรมาวาทานติอายุวันโอสุขังภาลังคำถามจากอินเทอร์เน็ตค่ะข้อแรกค่ะเด็กแปดขวบค่ะ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 ให้เขาช่วยเก็บขยะในโรงเรียนหรือให้เขาช่วยสอนเราทำการบ้านหรืออะไรทักอย่างนีงเพื่อเขาจะได้รู้จักเหตุของเงินทองว่ามาได้อย่างไรแล้วจะทำให้เขาจะได้สนใจกับการเจรินเหตุก็คือเขาจะต้องรู้จักวิธีหาเงินเองจะได้ไม่ต้องไปขอจากผู้อื่น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 อย่ารักษาโรคเครื่องนุ่งหม่มหรือที่อยู่อาศัยไม่ควรที่จะให้แบบไม่มีเหตุมีผลเรือให้ไปใช้ในทางที่ไม่ถูกเช่นไปก่อนนี้ขึ้นมาแล้วก็จะมาให้เราช่วยอฐานนี้ให้ถ้าเราช่วยเขาครั้งนี้เดี๋ยวครั้งหน้าเขาก็จะไปก่อนนี้ใหม่แล้วเขาก็จะกลับมาขอให้เราช่วยใหม่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 ก็จะได้เป็นเพืจะได้เป็นบทเรียนสอนใจให้เขารู้ว่าการกระทําแบบนี้มีโทษมีความเสียหายตามมาถ้าเราไปคอยปลดเปลื้องนี่ให้เขาเรื่อยๆเขาจะไม่เห็นโทษไม่เห็นความเสียหายที่จะเกิดขึ้นแล้วเขาก็จะทําต่อไปแล้วสักวันหนึ่งเราก็จะไม่มีปัญญาที่จ ะ, ะช่วยเขาได้เขาก็ต้องเจอกัน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 และจะได้ไม่ทำต่อไปในอนาคตเราก็ต้องถือหลักที่พระเจ้าทรงสอนว่าให้คิดว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนจะทำกรรมบันาดไว้ดีหรือไม่ดีก็จะต้องเป็นผู้รับผลของกรรนั้นถ้าเขามาขอเพราะเขาอยากได้โดยที่ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องขอเราก็อยากไปให้เขา เขาอยากจะได้ก็ให้เขาหาเองถ้าหาไม่ได้ก็เป็นกรรมของเขาเองแล้วต่อไปเขาก็จะได้ไม่อยากได้จะได้ไม่ต้องไปขออยู่เรื่อยๆคำถามต่อไปนะคะจากคุณเกรักค่ะขอรบกวนถามสภาวะตอนนั่งสมาธิเจ้าค่ะพอเริ่มนั่งได้สักพักเห็นจิต ก, กับกายมันแยกออกจากกันแล้วก็เห็นความคิด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 ลูกเห็นอย่างนี้ถูกไหมเจ้าคะอย่างนี้เป็นสัมมาสมาธิไหมเจ้าคะลูกเดินมาถูกทางไหมเจ้าคะก็ถูกทางที่เรียกว่าเป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาสมาธินี้ก็ควรจะรู้เฉยๆคือไม่ควรที่จะมีความคิดปรุงแต่งอะไรเกิดขึ้นถ้ายังมีความคิดปรุงแต่งอยู่ ก็ควรที่จะใช้สติระงับความคิดตรงแต่เหล่า น, นั้นไปให้ใจว่างให้ใจนิ่งมีแต่อุเบกขามีแต่สัจจะวโรมีความสงบมีความสุขอย่างนี้เรียกว่าสมาสมาธิถ้ามีมีการรู้แล้วก็ปล่อยวางไม่ไปมีอารมณ์กับสิ่งที่เราลบลู่อย่างนี้เรียกว่าเป็นสัมมาทิฏฐิ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 รู้ว่าเขามาเขาคิดอย่างนี้เราไม่ไปสนใจเราปล่อยไปเดี๋ยวเขาก็ดับไปก็จะเรียกว่าทั้งเป็นทั้งสมาสติสัมมาสมาธิสมาทิฏฐิก็ได้ถ้าอยู่ในลักษณะนี้ค่ะคำถามต่อไปค่ะจากคุณ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 เวลาเราทำบุญให้ทานแล้วเราเกิดความสุขความอิ่มใจเราก็อุทิศความอิ่มใจนี่แหละไปให้กับผู้ที่ท้องต้องการพอถ้าถ้าเขารอรับอยู่เขาก็จะได้รับเขาก็จะเกิดความอิ่มอกอิ่มใจขึ้นมาแต่บุญอย่างอื่นนี่ไม่เคยไม่ไม่เคยได้ยินว่าจะใช้อุทิศกันได้คําถามต่อไปค่ะ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 หนับความคิดฟุงสซ่านได้ก็มีสองวิธีด้วยกันวิธีหนึ่งก็คือการใช้สติถ้าเราฝึกสติน้อมดีกาลังมากพอเวลาเราเกิดอารมณ์ฉุนเฉียวเกิดอารมณ์วุ่นวายใจเราสามารถใช้สติหยุดมันได้เช่นเรามีพุทธโทธพุทธโทธฝึกพุทธโทธอยู่เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ พอเวลาที่เราเกิดความฟุ้งสร้างขึ้นมาเราก็บริกรรมพุทโธพุทโธไปถ้าเราสามารถบริกรรมไปได้อย่างต่อเนื่องไม่นานความฟุ้งสร้างเหล่านั้นก็จะหายไปได้แต่ถ้าเราไม่มีสติพอที่จะบริกรรมพุทโธแต่เราเป็นคนที่ชอบคิดด้วยเหตุด้วยผลเราก็สามารถใช้ความคิดด้วยเหตุด้วยผลนี้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 พยายามหาอุบายปลงนั่งสมาธิและพยายามปลงได้เป็นครั้งคราวขอหลวงพ่อเมตตาค่ะก็คำตอบก็อยู่ที่คาตอบเมื่อกี้ที่พูดมาต้องอย่าไปคิดว่าเขาเป็นลูกเราคิดต่ว่าเป็นเจ้ากรรมนายเวนเราดีเสกงมันจะได้เจ็บเนือเจ็บตัวจะได้สาธุค่ ะ, ะคำถามจากท่านเดิมนะคะ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 เวลานั่งทำสมาธิภาวนาบางครั้งก็เกิดจิตสงบเกิดปิติสุขซาบซ่านเมื่อเลิกทำแล้วจิตใจจะช่มชื่นเบิกบานแต่บางครั้งจิตจะสงบนิ่งๆเหมือนเคลือบเคลิม้มซึมเศรา้าพอจบเหมือนเราเพิ่งตื่นนอนใหม่ๆไม่ทราบ ว, ว่าเป็นเพราะอะไรและควรทำอย่างไรดีครับเป็นเพราะเราหลับไม่ได้ไม่ได้สงบ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 เพราะว่าเวลาเรามานั่งเราก็จะไม่สามารถควบคุมใจได้ถ้าใจง่วงใจก็จะวุ่นถ้าใจฟุ้งซ่านก็จะไม่สงบแต่ถ้าเรามีสติแล้วเราจะแก้ความง่วงความฟุ้งซ่านเหล่านี้ได้นั่งแล้ใจก็จะสงบนิ่งเย็นสบายมีความสุขคําถามต่อไปจากคุณวาริศเชอร์ล็อกนิพพานคือสถานที่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 ยังไม่รู้จักจบจากสิ่งเพราะเราไม่รู้จักวิธีชาระมันหรือว่าเรารู้แต่เราไม่ขยันไม่สนใจแทนที่จะชาระเรากลับไปเพิ่มความโกรกโกให้มากขึ้นด้วยการทำตามความโลภทำตามความอยากทำตามความโกรธทำตามความหลงวิธีที่จะชำระก็คือเราต้องไม่ทำตามความโลภความอยากตา่ตางๆเวลาเกิดความโลภ ก, ก็ต้องหยุด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 ถ้าเราจะสร้างแต่สิ่งที่ดีสิ่งที่จะทําให้เรามีความมั่นคงมีความสุขมีความสบายทของทั้งหมดนี้มีอยู่ภายในใจเราถ้าใจเราเปรียบเหมือนกับบ่ อ, บอน้ำหรือสระน้ําเรามีปลาหลายหลากหลายชนิดอยู่ในนั้นถ้าเรารู้จักจับต า, าต่างๆเราก็สามารถเลือกจับตาที่ดี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 ทำไมทำไมตามาตามึงกอติดติดติทไ่ไดความเมตไดของ้าไอ้โงนี่ต่างกันเมตาของพงมีขอามไม่เนมีเห็นไม่ตานจะเป็นใจถ้ารักไทก็เม่ตาถ้าไม่รักไก็ไม่ตาม่ า, ตาง ไม่กินไรี่ควรวดต้องากว้างกว้างไปบางคร้วก็เหตุผนด้วยคนไม่ดีก็ไม่ตาน้อยนะคนดีก็ไม่ตามากเลยแล้วได้า เกิดเกิกกิดาไม่ถ้าเกิดเกิดเกิดเกิดากิดเกอยากิดเกิดเกิดเกิดเกิดเกิดเกิดากิดเกิก็ดเกมดเกิดกิดเกิดเกกิดเกากกดเกนดเกไดเเกเกกดกเ หนูก็ทำดีใหญ่จะถายดีงจเลยทำไมหนุ่มบแม่หนุทําแบบดีใอย่แล้แต่ว่าทำไมไม่ใช่เราอยากไปทาเพื่อล้างผมด็กอยากไปลวังผมจับแทงกันแล to <Q> ้วที <S 1> <S 1> ่เราทำเพื่อใช้นี่ใช้ใช้ใช้คุณันเราจะพอใจไม่พอใจแค่เรื่องเนื้อละาจะทำไม่ถูกใจเขาก็ได้ บาอทีไ ป, ไปทางขัดใจเขาไปวังทับเขาพต้องตามใจเขาคำถามเยหมือนกันนะเขาพูดถึงว่าเจ้ากรรนายเวรผมไม่มีจกรรนเวรตามาอว่าจะก็บ่นว่างแก่ถึงเจะกรรนเวรเลียมมีใครรู้ว่ามันจะมาเมื่อไหร่คถาข้อหนะคะ ที่คนเคยเดินเข้ามาในทีวของเราในบางครั้งที่มาทําให้เราวุ่นวายใจเขาเคยเจ้ากรรมในเวทใช่ไหมคะม ค, คู่กรรมของเรา ค, คู่ต่อทุ่คู่กลับนะทุกรรมถ้าคนเข้ามามามาช่วยหรือเรามาให้ความสุ ข, ขอะไรก็เป็นคู่บุญถ้าทําไงแจะให้หมดไปคะ่ะก็ต้องทําใจเฉยเฉยทำใจเฉยเฉยแล้วมันจะหมดไปอย่าไปตอบโต้มิ่งตอบโต้มันก็จะ ย, ยาวไปมีทำบุญได้มากมากทำความดีกับเขามากๆ เะาอาจจะเปลี่ยนได้เราชนะใจเขาด้วยความดีแต่บา ง, างราครั้งก็เป็นขานเหมือนกันค่ะ <laughs>